ผมเองก็กลัวตาอยู่เลยครับเพราะว่ายัางเข้าใจว่าตัวเองอยังยังสะสมความดีไม่พ อ, อยังศึกษาธรรมะไม่พอนี่เป็นความจริงครับพ่อแล้วอายุก็มากแล้วแล้วยิ่งมาได้เจอพระอาจารย์สมบัติทำไม่เห็นว่าพระธรรมที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าทาความเข้าใจโมโหมันมันมาก มันมากจนจนเราอดวิตกไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะทําทานดีคว้าไอ้นุ่ก็ดีคว้านี่ก็ดีเฮ้หนุ่นก็จะต้องทำไอ้นี่ก็จะต้องจำํำเ น, น, นี่ยวันวันเนี่ยนะยุ่งอยู่กับอ่าพระคัมภีร์นะถ้าไม่ไปทําอย่างอื่นนะพยายามลดงานอย่างอื่นมากที่สุดปล่อยให้ลูกหลานทำํำยุ่งอยู่กับคัมภีร์เนี้ยนะเออไอ้นูก็ต้องทําคัมภีร์นี้ก็ยังไม่เข้าใจโอ้นะีก็ทําให้กลัวว่ามันจะตายซะก่อน นเออันที่จริงเนี่ยนะครับทุกคนอะผมว่ากลัวตายเพราะว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของชีวิตมันมาอย่างไงไปอย่างไรอะใครบ้างครับที่เคยเข้าใจมาผมว่าทุกคนนะทุกคนเลยเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะต้องพกความสงสัยนี้ไว้ในตัวนะครับเออเรานี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนแต่ก่อนเคยมีมาแล้วหรือ ย, ยังไงเนี่ย แล้วอยู่ดีๆมาอย่างไงแล้วจะไปอย่างไงไหมไอ้ตรงจะไปอย่างไงเนี่ยโอ้เป็นห่วงมากเลยจะไปยังไงแล้วถ้าถ้าถ้าไปดีๆก็คงจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะกลัวจะไปพลาดพลัง้งไปลวงอบายไปนี่เลยหมดสิทธิ์เลยนะกําลังดูศึกษาคำภีอยู่เห็นหมดมอมันวิ่งกันเร็วเลยนะก็ดูไกลๆเอ้มดนี่มีปีกฮะมดตัวนี้เดียวนะครับมดดำไอ้มดนี่มีปีกนะฮะมันก็มันก็ วิ่งโดนเร็วมากเลยทั้งนี่ไม่ปี่นนะฮะเราก็ดูนะสัตว์พวกนี้เนี่ยนะมันไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะมาสะสมบุญทํากรรมทํากุศลกรรมอะไรเนี่ยนะมันถ้ามันตายไปเนี่นะในชวนะจิตห้าดวงสุดท้ายที่มันจะตายไปเนี่ยมันจะออะไรมาเป็นอารมณ์เนี่ยโอ้แล้วจะหวังว่าไออปาราปริยตเวทนิยกรรมในอดีตนะมันจะมาส่งผลเนี่ยเอ๊ แล้วสมัยนั้นเนี่ยนะแลใช่ก่อนๆรู้ว่ามันเป็นมดมา ก, กี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเสร็จับพัะจับผู้เราพันเอกธงชัยไปเกิดเป็นมดน่าสงสารจริงจริงถ้าเกิดไปทำธุรกิจเป็นบริษัทกำจัดมดปลวกอีกตายเลยยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยน ะ, นะเอาละเกิดมาขนาด น, นี้ก็เอาละพอละถ้าเกิดมาเป็นคนใหม่ก็ยังดี เมื่อกี้นี้ผมนั่งหลับตาแล้วผมนึกนึกถึงธรรมะเมื่อวานเนี่ยนั่งคุยคุณจะอุ่มมาในรถนะผมจริงวันเสาร์น่าจะมานะผมเห็นหลายท่านที่ยังไม่ม า, าน่ามานะน่ามาตอนเช้าเ้านี่น่ามานะเมื่อวานนี้ <c oughs> ก็เราพูดถึงว่าเราพูดถึงเรื่องการการเกิดดับของของขันห้าใช่ไหมฮะ แล้วเรามาดูที่ว่าเราเข้าใจตรงนี้ยังไงเนี่ยเราเอามาตึกดูนะฮะเราบอกว่าเหตุเกิดของขันห้าพูดยังไงว่าเหตุเกิดออกมาเป็นธงไชเนี่ยมันมีเหตุอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมันมีเหตุอะไรบ้างที่เรามาเกิดได้ขันห้าขันห้าโลกขันห้าโลกนี้เนี่ยมันเกิดมาจากเหตุอะไรบ้างนะลองไล่ดูนะท่านก็ท่านก็กล่าวไว้ไม่ต้องไปนึกเสียเวลานะ ท่านกล่าวไว้หมดแล้วท่านบอกข้ออาวิชาเริ่มต้นเลยอาวิชานะมันจึงจะมาเกิดได้ขันหอย่างนี้เนี่ยถ้าอาวิชามีเมื่อไหร่จะต้องเกิดไม่ว่าเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งอาวิชาสองเพราะมีตันหาเพราะมีตันหานะยังมีความเพลิดเพลินอยู่ในทวารต่างๆเนี่ยไอตัวเนี่ยเป็นตัวเหตุเพราะไอตันหานี่เป็นตัวเหตุทาให้เราได้ขันห้าอันนี้ อันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือกรรมเพราะเราทำกรรมเอาไว้นะถ้าเป็นกุศลกรรมก็เออมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นสุคติถ้าหากเป็นอกุศลกรรมเนะี่ยเกิดเป็นมดมีปีกนั่นแหละนี่นะหนึ่งอวิชาสองตัณหาสามกรรมนี่นะทำให้เรามาเกิดพอไล่มาแล้วเราจะเห็นว่า อวิชชาเนี่ยนะเพราะมีอวิชชาเพราะไม่รู้ใช่ไหมพราะไม่รู้สภาวธรรมไม่รู้บาบุญคุณโทษไม่รู้อริยสัจสีใช่ไหมจึงได้เพลิดเพลินไปในเรื่องของตันหาใครบังครับที่ไม่เพลิดเพลินไปในตันหาไม่เพลิดเพลินไปในรูปลดกิเสีลสมั่งก็เพราะ แสวงหาตันหาเพราะตันหานี่เองจึงทําให้เราทํากรรมเพราะมันเรียงกันมาเลยนะเพราะความโง่เง่านั่นแหละจึงได้เพลิดเพลินเพราะเพลิดเพลินนั่นแหละแสวงหาความเพลิดเพลินจึงได้ทํากรรมเพราะทํากรรมนั่นแหละจึงได้มาขันห้าเนี่ยมันเรียงกันมาอย่างสวยงามทีเดียวสนุ่รออะไรครับมันอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเรียงมาอย่างนั้นอ่ะเพราะอย่างนี้นะครับมันถึงทํากรรมอ่ะทํากรรมแล้วมันมาได้ขันห้าอย่างนี้เนี่ยนะครับ นะฮะตอนที่ถามว่าเอ๊ะเมื่อเรารู้เหตุเกิดของชีวิตนเนี่ยนะฮะนี่เรารู้แล้วใช่ไหมด้ว่เราฟังจากพระธรรมใช่ไหมเมื่อเรามีปัญญาขั้นการฟังเรารู้แล้วว่าอ๋อชีวิตขันธ์ห้าที่เราเกิดมาเป็นธงชายเป็นคุณเจ้าอุ่มแม่แม่แต่เกิดเป็นพระอาจารย์สมบัติก็ตามเถอะมันมาจากอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเมื่อเรารู้เหตุอย่างนี้แล้วเราจะจัด ก, การกับมันยังไงเนี่ยนี่นี่ น, น่าคิดมาก ตรงนี้ที่กับที่สําคัญมากเราจะจัดการกับมันยังไงเมื่อเรารู้ต้นเหตุแล้วปกติเราเมื่อเราได้รับผลอะไรทั้งอย่างใช่ไหมฮะเมื่อเราสาวไปหาต้นเหตุแล้วก็ไปจัดการกับมันถ้าผลดีเราก็ไปเสริมเหตุให้มันมากขึ้นถ้าได้รับผลไม่ดีอะไรบางอย่างเราก็ไปจัดการแก้ไขให้มันเป็นเหตุให้มันดีซะในในในชั้นใดชั้นนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นขันห้าเป็นโลกเป็นโลกใบนี้แล้วเนี่นะถามว่าดีไหมเนี่ยถามว่าดีไหมเนี่ยดีไม่ดีก็แล้วแต่ใครคิดนะครับ นะถ้าคนอยากดีก็ไม่เป็นไรแล้วครับทาบุญไปเยอะๆได้เกิดอีกครับนะนะยังไม่ต้องไปออกจากวัตตาแล้วครับถ้าเกิดบางคนอาจคิดมาเอ้ชีวิตนี่มันเอ้ชักมันมีปัญหาแล้วมีสาไม่มีสาลาแล้วนะเออถ้าอย่างนี้จะไม่อยากให้เกิดอีกนีอีกเรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นนะไอการที่เรารู้เหตุอย่างนั้นมาเนี่ยโอ้มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเลยนะ เพราะฉะนั้นไม่ว่านะเหตุอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่มันมาอย่างนี้เนี่ยนะนะมันมาอย่างนี้เนี่ยนะแต่ละขันแต่ละขันเนี่ยมันมาอย่างนี้เนี่ยเพราะเราจะจัดการกับมันยังไงจัดการกับอวิชายังไงจัดการกับตัวตัณหายังไงจัดการกับกรรมยังไงเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่ จะต้องออสัดับจากพระธรรมแล้วก็ทำไปตามนั้นคงไม่ได้คิดเอาเองหรอกครับนี่ก็เป็นเรื่องการตึกสองสามนาทีครับเผื่อว่าจะทำให้ท่านพระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมชอบใจคำว่าอาวิชาตันหากำเรียงกันมาอย่างสวย ง, งามก่ะนแต่ว่าผลไม่ค่อยดีอย่าีนี้ หนะลับตาเดินดูสิ่ะไรลักษณะของอวิชามเป็นลักษณะนั้นแล้วก็บอดตาใสด้วย น, นะมองเห็นแต่สี น, นึกไม่ออกเลยอริยสัจมันเป็นยังไงนะนะมอคืนตื่นมาดึกๆ ก, ก, ก็นึกถึงอริยสัจอีกเลยไปค้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรนะยังไม่ถึงขั้นประทับใจเลยก็แปลว่าคนพูดก็ยังไม่ได้รู้อริยสัจ ในชั้นการปฏิเวทอะไรเงน้นได้สุตตะได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่ก็มีบุญระดับนี้ก็เอาละคือจากที่นั่งเมื่อกี้เหมือนกันนั่งฟังเขาสวดมนต์เนี่ยทำให้เราเ <c oughs> จริญพุทธคุณตามไปด้วยแล้วก็เอายกพระพุทธพจน์หรือว่าพุทธคุณแต่ละบทนะตั้งแต่อรหังพารหั์ ซึ่งความหมายที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือไม่มีกิเลสใช่ไหมพระอรหันต์ไม่มีกิเลสคำว่ากิเลสนี่คือสิ่งที่ทำให้จิตมันเป็นยังไงจิตที่ถูกกิเลสครอบงมคือจิตที่เร่าร้อนหรือเศร้าหมองมันกิเลสมันเหมือนกับไฟนั่นแหละจิตมันก็เหมือนกับไอของอ่อนๆน่นนะถ้าเจอของร้อนเข้าไปมันก็เสียหายเร่าร้อนไปหมดเลยทีนี้คนที่มีความเร่าร้อนในเวลารับอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะก็จิตใจก็จะร้อนรน คิดถึงลูกก็ร้อนเรื่องลูกกันละคิดถึงงานก็ร้อนเรื่องงานเอาลองลองนึกดูนะว่าเราคิดถึงอะไรแล้วเราไม่ร้อนบ้างนึกแล้วเย็นใจอ็ดีแล้วเกินนะสุขเนอะนึกแล้วก็สุขเนอะมีไหมมีบ่อยนะ <c oughs> นึกนึกถึงธรรมะนี่ก็เหมือนผููการอีกว่าเอ๊ะธรรมะเรื่องนั้นก่อน่าศึกษาเรื่องนี้ก็น่าดีก็ <c oughs> ยังมีอะไรให้ค้นอีกเยอะก็ยังพูดว่าสุขก็ยังไม่ได้เต็มที่นักแต่รู้เรียวว่าสำเนินก็ว่า เข้าถึงความอร่อยอันนั้นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ทันอิ่มก็ว่างั้นอันนั้นก็น่าท้าอันนี้ก็น่าเอาดีไปหมดเลยนะก็ยังไม่ทันอิ่มว่างั้นนนั่งโูปท้องได้สบายๆก็ยังว่างั้นชันใดก็ดีในสภาพอารมณ์ทั้งหลายที่เรานึกเนี่ยนะโดยมากนึกแล้วสภาพจิตของเราเนี่ยเร่าร้อนถ้าคนที่เคยจิตเป็นไปกับกุศลเวลาจิตไปรับอารมณ์ที่เศร้าหมองเนี่ยจะรู้มันมัน มันก็เหมือนกับคนที่อยู่เย็นๆมามากเลยนะไปตากแดดสัก20นาทีเนี่ยองศาสัก20นาทีเนี่ยรู้ถึงความเร่าร้อนความกวนกวาดในลักษณะนั้นเลยเพราะว่าไอ้บาปอากุศลกิเลสทั้งหลายนี่มันเร่าร้อนอย่างนั้นจริงๆแต่ความร้อนอันนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแต่ว่าไอ้ความไม่เร่าร้อนที่มีแก่พระพุทธเจ้านั้นะที่เรียกว่าความเย็นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เย็นขึ้นมาเอง หมาย ว, ามว่าพระ อ, องค์ดับเหตุแห่งความเร่าร้อนด้วยอรหัตตมรรคเรียบร้อยแล้วดังนั้นพระ อ, องค์จึงเป็นผ้าอรหันต์แล้วก็พระ อ, องค์นี้กําจัดข่าศึกคือกิเลสที่เรียกว่าศัตรูภายในข่าศึกภายในปาปมิตรภายในเนีย่ยนะเมื่อวานเห็นรถขนเหล็กเท่ากันเออไอเหล็กตัวนี้เนี่ยนะมันสิ่งที่จะทําลายเหล็กได้ก็คือสนิมในตัวเหล็กนั่นแหละมันจะทําลายเหล็กสภาพจิตของเราก็เหมือนกันอะไรทําลายอ่ะ ก็จิตที่เจตสิกที่เป็นบาปสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตที่มันบาปอันนั้นแหละมันทำลายจิตของเราในโลกนี้ไม่มีใครทําลายเราได้นอกจากโลภะโทสะโมหะเป็นต้นที่เกิดร่วมกับจิตเรานี่ยแหละมันทำลายทำลายเราพระพุทธเจ้านั้นทําลายข่าศึกอันนี้เรียบร้อยแล้วข้าศึกศัตรูภายในอันนี้พระองค์กําจัดหมดแล้วเขาบ่างั้นเพราะฉะนั้นข่าความกโกรธเนี่ยจึงไม่บาปข่าความโลภความหลงเป็นต้นเนี่ยไม่บาป มันพระองค์ได้ทาลายอวิชชานี้จึงไม่บาปเหมือนกัรีย่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนกําจัดเหมือนกันแต่ไม่ได้กําจัดอย่างอื่นนะกำจัดโลภะกําจัดโทสะกําจัดโมหะที่อยู่ในภายในยนะกำจัดด้วยอรหัตตมรรคเองนั่นแหละแล้วพระองค์นั้นชีวิตของพระองค์ที่จะดําเนินไปในสงสารเนี่ยไม่มีแล้วผู้ที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้เนี่ยชีวิตที่จะดําเนินไปในสังสารวัฏจบสิ้นแล้ว เรียว่าพระองค์นี่หักซี่กรรมแห่งสังสารจัจจ์ต้นเหตุแห่งการเป็นไปในวัฏฏะได้หมดแล้วแล้วพระองค์ก็ไม่มีบาปประธรรมเลยไม่มีบาปประธรรมในที่ลับไปแอบฟุ้งซ่านนี่ก็ไม่มีแอบน้อยใจแอบเสียใจหงุดหงิดรําคาญไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยเพราะฉะนั้นพระองค์อยู่ที่ไหนสุขทุกที่ว่างั้นเถอะถึงจะอยู่กับประชุมชนก็จริงแต่พระองค์ก้นน้อมจิตไปเพื่อพร ะ, ะสมาบัติเสมอ เพราะฉะนั้นพระองค์นี้หลังจากที่บรรลุเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้ามีอัธยาสาัยเดียวคืออัธยาสาัยที่น้อมใจไปเพื่อพระนิพพานน้อมใจไปเพื่อเข้าพระสมบัติเข้านิโรธสมบัติเนี่ยคืออัธยาศาัยของพระองค์ขนาดฟังธรรมแล้วเขาอนุมโมทนานะอ้ยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไพเราะจริงๆสาธุสามครั้งพระองค์ไม่ได้ฟังเพราะพระองค์เข้าพระสมบัติอยู่ อันพระองค์เนี่ยไม่ได้มีความติดข้องในสัตว์ทั้งหลายเลยแต่ที่แสดงธรรมก็เพราะเห็นประโยชน์เห็นอาศัยความหวังดีความเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะด้วยมหากรุณาสมาบัติยานกระตุน้นเตือนพระองค์ก็เลยแสดงธรรมอันพระองค์นี้ไม่มีจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวเลยว่า ง, งั้นเถอะอันใครจะดา่าพระองค์ก็ยังสดชื่นเท่าเดิมเห็นไหม ถึงพระองค์จะปวดศีรษะขนาดไหนพระองค์ใจก็ยังสดชื่นเท่าเดิมเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศล น, นับว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สุดยอดจริงๆเนี่ยนะแล้วก็พฤติกรรมคําพูดทั้งหมดที่ส่วนที่ไม่ดีของพระพุทธเจ้าไม่มีละเมิดออกมาเลยความเคยชินนิสัยดั้งเดิมไม่มีที่จะแสดงในแง่ไม่ดีออกมาเนี่ยนะอันนี้คือความบริสุทธิ์ของความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า แล้วเป็นพระอรหันต์ประเภทแทงตลอดอริยสัจด้วยตัวเองหมดเลยเห็นไหมในเรื่องการแทงตลอดอริยสัจในการรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ในการกําห <ielle> นดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ในการละธรรมะที่ evet, ควรละในการเจริญธรรมะที่ควรเจริญในการทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้พระองค์ไม่มีใครบอกพระองค์เลยเห็นไหมไม่มีใครบอกเลยว่าเออจักสุควรรู้ยิ่งนะตาหูควรรู้ยิ่งจมูกควรรู้ยิ่ง ลิ้นควรรู้ยิ่งกายควรรู้ยิ่งใจควรรู้ยิ่งไม่มีใครบอกเลยพระองค์รู้ได้อะด้วยตัวเองเนี่ยนะของเราเนี่ขนาดพระองค์บอกแล้วรู้ยิ่งนะเราก็ไม่เคยรู้ไอ้ที่ที่เรารู้พระองค์ก็ไม่ไม่ต้องการให้รู้ว่างั้นเลยคือรู้ด้วยอคติหมายว่ารู้ด้วยโลภารู้ด้วยโทสะรู้ด้วยโมหิรู้แบบนี้พระพุทธเจ้าไม่สอน อันนี้เอาจังเลยมั้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนเออนี้ควรรู้ยิ่งนะนี้ควรปริญญานะนี้ควรปะหานะนะนี้ควรทําให้แจ้งนี้พาเวตาภาณนะโอสเที่ยวสั่งเที่ยวสอนประกาศโอวาทอนุสาสนีเนี่ยนะเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองแต่สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ถูกสั่งสอนมาเลยแต่ความอัศจรรย์ใจนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าสั่งสมบา ร, รมีมา30 สามสิบทัเนี่ยนะสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับมหาบริจาคห้านั้นไออุปนิสัยเหล่านั้ น, น, นทําให้พระองค์เนี่ยแทงตลอดอริยสัจแล้วก็ทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในทั้งภายนอกไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะแล้วในผู้ที่แทงตลอดอริยสัจนี้ไม่ใช่ว่าระลึกชาติไม่ได้พระองค์นี่มีวิชาที่สา ม, มารถระลึกชาติได้ยังประทับใจในอัตกถาในสูตรหนึ่งใน สั่งยุตานิกายที่กล่าวว่าชั่วหายใจเข้าออกเนี่ยนะพระองค์ระลึกได้91กลับเหมงนนเถอะหายใจเข้าเฮ้ไปเนี่ยกกลับมงอนอ๋อนพระองค์นี้มีความสามารถในการระลึกชาติได้ขนาดนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะยังยังรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายยังยังรู้อนาคตต่อไปอีกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ สำหรับสัตว์ทั้งหลายพระองค์นี้รู้กรรมสมทานเป็นอย่างดีเลยนะว่าการดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยใครจะไปไหนเหมือนกับคนที่รู้เส้นทางจราจรเป็นอย่างดีเห็นใครขับรถนี่นะรู้เลยว่าคนนี้จะไปทางไหนแล้วมันมีเส้นทางให้เลี้ยวกี่เลี้ยวเนี่ยนะทางเส้นนี้เนี่ยเข้าไปถึงแล้วดูสภาพรถแบบนี้จะไปถึงแค่ไหนถ้าเขาแวะเติมน้ามันตรงนั้นตรงนั้นจะถึงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียว่าเป็นผู้ที่ชํานาญในเรื่องเส้นทางที่สุดนั้นแหละ ไอทางนี้แปลเป็นบาลีว่าไงแปลว่าไงมักมักมักพระองค์นี้รู้มักทั้งหมดเลยเนี่ยนะมักที่พาไปไหนแหละแม้กระทั่งมักที่นำเข้าสู่อมาตะาพระองค์ก็รู้เนี่ยนะนี่คือวิชาของพระองค์แล้วพระองค์ก็สา ม, มารถรู้สิ่งเหล่านั้นจริงๆไม่ใช่ว่ารู้ไว้บอกคนอื่นนะพระองค์เนี่ยรู้แล้วเข้าถึงสิ่งนั้นๆแล้วก็บอกคนอื่นด้วยเนีย่ยนะแล้วพระองค์ก็ยังเป็นผู้ที่ สมบูรณ์ด้วยความประพฤติ ท, ที่เรียกว่าจารณะเนี่ยนะจรณะเนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินไปด้วยความสวยงามจริงๆหมายถึว่าหาที่ตำหนิแม้แต่ส่วนเดียวไม่ได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะการยกมือการเดินการลุกการนัง่งการนอนในอิริยาบถ ท, ทุกชนิดเลยนะตั้งแต่เตือนจนถึงหลับเนี่ยนะไม่มีส่วนไหนที่น่าตำหนิแม้แต่อันเดียว การเปล่งวาจาพูดออกไปก็เหมือนกันไม่มีส่วนใดที่น่าตําหนิเลยสําหรับบัณฑิตผู้ไข่ครควญอยู่นะเว้นไว้แต่คนพ่านเหมือนกันเถอะนะสาหรับบัณฑิตผู้ไข้ครควญอยู่โดยชอบนั้นอนะ่ะไม่มีพุทธพจน์หรือวาจาใดของพระพุทธเจ้าน่าตําหนิแม้แต่อันเดียวนี่คือจรณะที่เป็นความประพฤติอย่างสวยงามของพระองค์แล้วพฤติกรรมของพระองค์เนี่ยนะเป็นไปเพื่อการตื่นตัวทั้งหมดเลยเรียกว่าชาคริยานุโยบ แล้วอินทรีย์สังวรสัมรวมตาหูจมูกเล่นก า, ายใจพระองค์ก็ดีทั้งหมดแล้วคุณธรรมภายในไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหิเรโอตั ป, ปสติหรือความเป็นพหูสูตรหรือสมาธิหรือว่าปัญญาหรือว่าฌานทั้งหลายแหละคุณธรรมเหล่านี้ก็มีเพียรพร้อมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยนะเขาเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแล้วพระองค์เนี่ยเสด็จไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่าสุขโตไปเพื่อสงเคราะห์สัตว์จริงๆ แล้วก็ไปแบบคนรู้จริงด้วยนะไปแบบเรียกว่าไปแบบคนรู้จริงเรียกว่าโลกาวิทูว่างั้นรู้แจ้งโลกนะโลกคือหมู่สัตว์นี่มีจริตอย่างไรอัธยาศัยอย่างไหนนิสัยอย่างไงเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีมามากม า, มาน้อยอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์น้อยเนี่ยมองออกอย่างโปร่ปรงหมดเนละรู้แจ้งโลกถามว่าไปแบบคนรู้แจ้งไปทําไมไปเพื่อจะสอนเขาให้พ้นจากวัตทุกขไปเพื่อที่จะโปรดเขาสงเคราะห์เขา เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระสัทธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมะเขาจะมีความชื่นชมดีใจว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อประโยชน์แก่เขาหนอะวางกันเถอะมาเพื่อสงเคราะห์เขาจริงๆหมายคือว่าเขาพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อเขาโดยตรงเลยนะเหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะไม่มีใครที่จะยกเราได้เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะยกเขาให้พ้นจากวัตฏทุกข์อะ คนเนื่นๆๆยังมากก็ถ้าหิวเขาก็ยกอาหารมาให้ก็อิ่มในมือหนึ่งแต่ความหิวอันนี้ไม่ได้ถูกบำบัดไปจริงๆถ้าร้อนเขาอาจจะให้ร่มอยู่แต่ก็ได้ความเย็นระดับหนึ่งเนี่ยนะถึงจะอย่างอื่นก็เหมือนกันหนาวร้อนหิวกะหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยง ล, ลมแดดก็ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองหรือว่าวิชาคาสอนที่คนอื่นเขาแนะนาโดยมาก ก็เป็นวิชาเป็นคําสอนที่เรียนรู้ได้ชั่วระยะหนึ่งเป็นวิชาที่เรียนได้แค่ชั่วระยะการระยะหนึ่งเท่านั้นเองต่างจากวิชาคําสอนที่พระ อ, องค์สอนเรื่องอริยสัจทําให้มองเห็นโลกเห็นชีวิตอย่างตลอดสายถ้าชาตินี้เราไม่แทงตลอดละ่ะไม่ต้องห่วงถ้าคนที่สะสมบุญมาไมว้แล้ววันนี้ไม่ได้บรรลุ ก, ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้บริ น, นี้ชาตินี้ไม่ได้บรรลุชาติหน้าก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าสะสมบุญไว้แล้ว ไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะเราศึกษาพระธรรมคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้เหมือนกับเรานี้เอาบุญของเรามาต่อบุญไว้เบ็ดเสร็จหมดถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นเล็งขายพยานมาก็ต้องเราอยู่ในขายพยานด้วยเพราะอะไรเพราะเราสะสมบุญไว้แล้วถ้าคนที่ไม่สะสมบุญไว้แล้วเนี่ยนะโหเหลียวไปทางไหนก็เหมือนกับยืนบนยอดเขาคืนเดือนมืดเหมือนั้นอมองไม่เห็นจะมองเห็นเฉพาะกระท่อมที่จุดไฟอยู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นใครที่มือบุญก็จะส่องเห็นแล้วพระองค์ก็จะไปสงเคราะห์เขาเองพระองค์นี่คงส่องเห็นเราแล้วล่ะเออหลือพระไตรปิฎกไว้ก็ยังดีไว้พวกนั้นแ่ะมันห่างเหลือเกินตัว <c oughs> นันะจะได้ศึกษาอีกทีนหนึ่งก็บสองพันห้าร้อยกว่าปีนั่นแหละว่างั้นหลังจากเราตปรรนิพพานอย่างนัเอ้อกระยังดีมั น, นห่างเหลือเกินนะนึกนึกไปนึกมาโอ้ยบุญมันน้อยจริงๆนะคนบุญน้อยอาาถาวงั้นะนะทุกขตะ เมื่อวานหมอวั น, วนลบยังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทุกขตะเขาว่ากันเอาทำไมหมอจึงว่าทุกขตะโอ้ยชาวมาคนอื่นเขาก็เปิดฟังทำได้เราก็เปิดฟังไม่ได้เขาว่าคนอื่นเขาอยู่ใกล้ได้ฟังบ่อ ย, อยๆเขานานๆจะได้ฟังทิง้งหมอ ว, วันลบไปยังเรียกว่าเขาทุกขตะเลยน่าดูมากันแสดงว่าเขาก็เตือนเรานะว่าเออท่านทำประหมาก็จะทุกขตะคล้ายๆกันนั่นแหละะใครก็ได้ที่ประมาก็ทุกขตะแล้วล่ะทุกขตะเนี่ยทุเนี่ยแปลว่าไม่ดี ข้าตาเนี่ยแปลว่าไปคนที่ไปไม่ค่อยดีนักบางงั้นเถอะขณะที่ดําเนินชีวิตไปดําเนินชีวิตไปด้วยความลําบากอะ่ะเป็นไปด้วยความลําบากแต่ว่าคําว่าลําบากในที่นี้ก็คือลําบากเพราะอํานาจอคติสนทั้งหลายอันนัราคะโทสะนี่เราก็พอทํานาวแต่ว่าโดยเฉพาะโมหะเนี่ยนะเป็นไฟที่สัตว์ทั้งหลายนึกไม่ออกว่าถูกเผาอยู่ ไฟคือโมหะเนี่ยแผดเผาเพราะฉะนั้นโลกอันอวิชชาหุ้มห่ออยู่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกระเปาะในฟองไข่อยู่เท่านั้นเองนะชีวิตของเราเหมือนกับอยู่ในฟองไข่นะมีอะไรกลมๆ ม, มาห่อหุ้มแล้วก็เดินไปเรื่อยนะยังไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนเดินไปทําไมเดินไปเพื่ออะไรจบยังไงอะไรยังไงยังไม่รู้เลยนะมันกลิ้งๆไปในกระป๋ะ น, นี่ไม่รู้จะไปตกเหวหรือว่าจะไปยังไงก็นึกไม่ออกจะไปยังไงแต่ว่ามันก็หมุนๆไปตามกระแสน้ําคือ น้ำเนี่ยนะแปลเป็นบาลีว่าไงน้ำเนี่ยอุทกใช่ไหมหรือว่าโอคะก็ได้ถ้าเป็นลักษณะของน้ำที่มันไหลไปเนี่ยนะเราเรียกว่าโอคะในบรรดานน้ำที่ไหลไปเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นสัตว์ที่มันเหมือนกับอยู่ในหุ้มอฟองไข่มันลอยไปในห่วงน้ำนั่นแหละเมื่อไปเจอขอนไม้แตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เจอขอนไม้แตกเนี่ยแสดงว่านนแหละหนักนะสาหัสอยู่เหมือนกันอาจจะจมลงไปในวัตฏะหนักกว่าเดิมอีกนี่นะ มันชีวิตของเราจึงจึงน่าสงสารมองไปแง่ไหนๆเราก็น่าสงสารเนี่ยนะคือถ้ามองชีวิตถ้ามองใกล้ๆเนี่ยนะว่าเออเรามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่มีที่อาศัยมีคนรู้จักกันเนี่ยนะถ้ามองแค่นี้เราโอ้โหไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับชาวเผ่าหลายๆเผ่ายัางไงแต่ถ้าหากว่าเรามองชีวิตไปในสังสารวัตรอันยาวไกลจริงๆแล้ว เราก็น่าสรลดสังเวชใจพอพอกัอบมดที่มันเดินทั้งเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งว่อนอยู่เนานั่นนั่นเลยก็พอพอกันเลยเพียงแต่ว่าวิบากและกรร ม, มชรูปของเราทั้งหลายเป็นมนุษย์เท่านั้นเองส่วนชวนาจิตก็เป็นไปกับวิชาตันหากรรมลักษณะเดียวกันทํากรรมเหมือนกันเนี่ยนะก็อยู่กับกรรมอยู่กับวิบากอยู่กับกิเลสลักษณะคล้ายๆกันชีวิตที่ดําเนินไปในสังสารวัตรก็ดำเนินไปในลักษณะนี้ เมื่อเป็นไปในลักษณะนี้ถามว่าพระพุทธเจ้ายื่นมือเข้ามาช่วยตรงไหนเราบ้างพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมแล้วใช่ไหมผลที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยนะแสดงธรรมแล้วแล้วก็บอกว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมที่ภัยราะในเบื้องต้นนะภัยราะในท่ามกลางไัยราะในที่สุดเราทั้งหลายมีโอกาสได้ยินได้ฟังแสดงว่ามีบุญ น, นะเพราะว่าคนที่มี มีบุญจึงจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมว่าโสตวิญญาณ น, นี้เป็นจิตชาติเวบากเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมถามว่าเรานั่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจะหันได้ยินเสียงจะได้ยินไม่เหมือนกันแล้วในโลกนี้คนห้พันล้านคนก็ได้ยินเสียงไม่เหมือนกันที่เราจะได้คนที่จะมีโสตวิญญาณได้ยินคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วนึกไม่ออกเลยว่าจะเท่าไหร่ชั้ น้อยมากเนี่ยนะฟังแล้วน้อยมากแล้วก็ในบรรดาน้อยๆนั้นก็ที่จะทรงจําไว้ได้ก็น้อยลงไปก็นั้นเนี่ยกันะลดลดล ด, ลดไปเรื่อยๆนะมัดปริมาณแล้วแต่โหหนักดีมากอะกลั่นน้ําทะเลมาเป็นน้ําอะไรอีกสักอย่างนะมันยากเย็นจริงๆที่จะมีโสตะวิญญาณได้ยินได้ฟังก่อนทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วไอ้อแนวความคิดที่เรียกว่าอัธยาศัยเนี่ยจะมาคิดเรื่องอะไรเราบอกว่าเออ อะไรในโลกนี้สำคัญที่สุดที่เราควรจะคิดก่อนเนี่ยนะปัญหาที่เราควรเอามาคิดอันดับแรกคืออะไรเนี่ยนะเรามีความเข้าใจยังไงนั่นแหละสาระของเรามีคืออันนั้นแหละ